ธรมบทแปลเรื่องที่12เรื่องพระเทวทัต์ตอนข้อความเบื้องต้นพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปราบรพระเทวทัต์ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอธิต ป, ปติเปจต ป, ปติเป็นต้นตอนเจ้าสักยะ6พระองค์ทรงผนวด เรื่องพระเทวทัตพระศัสดาตรัส ช, ชาดกทั้งหมดที่ทรงปราบรพระเทวทัตภาสิทธให้พิสดารแล้วตั้งแต่เวลาผนวดจนถึงถูกแผ่นดินสูบก็ความย่อในเรื่องพระเทวทัตนี้ดังต่อไปนี้เมื่อพระศัสดาทรงอาศัยนิคมชื่ออนุปิยาแห่งมรรกษัตริย์ประทับอยู่ที่อนุปิยาอัมภวันนั่นแล ในวันรับพระลักษณะแห่งพระตถาคตนั่นเทียวตระกูลพระญาติแ0 0 0มื่มอพระโอรส 80,000 ืด้วยคำว่าสิท ธ, ธัตกุมารจงเป็นพระราชาก็ตามเป็นพระพุทธเจ้าก็ตามจากมีกษัตริย์เป็นบริวารเที่ยวไปเมื่อพระโอรสเหล่านั้นพนวดแล้วโดยมากเหล่าพระญาติเห็นสักยะหกพระองค์นี้คือ พัทยราชาอนุรุทธะอานันทะภพะคุกิิมพิละเทวทัตยังมิได้ผนวดจึงสนทนากันว่าพวกเรายังให้ลูกลูกของตนบวชได้สักยะทั้งหกนี้ชรอยจะไม่ใช่ประยติกระมังเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้ทรงผนวดกลางนั้นพระมหารามสักยะ เข้าไปหาเจ้าอนุรุทธะตรัสว่าพ่อผู้ออกบวชจากตระกูลของเรายังไม่มีน้องจากบวชหรือว่าพี่จากบวชก็เจ้าอนุรุทธากุมานั้นเป็นกษัตริย์ผู้สุขุมารมีโภคาสมบูรณ์แม้คําว่าไม่มีพระองค์ก็ไม่เคยทรงสดับจริงอยู่วันหนึ่งเมื่อกษัตริย์หกพระองค์นั้น ทรงเล่นกีฬาลูกคลุบอยู่เจ้าอนุรุธทธะทรงปราชัยด้วยขนมแล้วทรงคนไปเพื่อต้องการขนมเรานั้นพระมารดาของท่านทรงจัดขนมส่งไปกริย์ทั้งหเสวยแล้วทรงเล่นกันอีกเจ้าอนุรุธทธะนั้นแลเป็นฝ่ายแพ้ร่ำไปส่วนพระมารดาเมื่อพระองค์ทรงคนไปทรงคนไป ก็ส่งขนมไปถึงสามครั้งในวาระที่สส่งไปว่าขนมไม่มีพระกุมารทรงสำคัญว่าขนมแม่นี้จะเป็นขนมประหลาชนิดหนึ่งเพราะไม่เคยส่งได้ยินคำว่าไม่มีจึงส่งคนไปว่าจงนำขนมไม่มีนั่นแลมาเถิดฝ่ายพระมารดาของท่านเมื่อเขาทูลว่าข้าแต่พระแม่เจ้า ได้ยินว่าพระองค์จงประทานขนมไม่มีจึงทรงพระดำริว่าลูกของเราไม่เคยได้ยินบทว่าไม่มีแต่เราจะให้รู้ความนั่นด้วยอุบายนี้จึงทรงปิดถาดทองคําเปล่าด้วยถาดทองคําอื่นแล้วส่งไปเหล่าเทวดาที่รักษาพระนครคิดว่าเจ้าอนุรุัธสักยะ ได้ถวายพัดอันเป็นส่วนตัวแด่พระประเจกับพุทธเจ้านามว่าอุปริทะในคราวที่ตนเป็นนายอันนภาระทรงทําความปรารถนาไว้ว่าขอข้าพเจ้าจงอย่าได้สดับคําว่าไม่มีอย่ารู้สถานที่เกิดแห่งโภชนะถ้าว่าเจ้าอนุรุทธานี้จะทรงเห็นถาดเปล่าใสพวกเราก็จะไม่ได้เข้าไปสู่เทวสมาคม ทั้งศีรษะของพวกเราก็จะพึงแตกเจ็ดเสี่ยงที่นั้นจึงได้ทำถาดนั้นให้เต็มด้วยขนมทิพย์เมื่อถาดนั้นพอเขาวางลงที่สนามเล่นกลุบแล้วเปิดขึ้นกลิ่นขนมก็ตั้งตลบไปทั่วทั้งพระนครชิ้นขนมแต่พอกระสัดทั้งหกหยิบเข้าไปในพระโอทเท่านั้นก็แผ่ซ่านไปทั่วประสาทรับรถทั้งเจ็ดพัน พระกุมาร น, นั้นทรงพระดำริว่าเราคงจะไม่เป็นที่รักของพระมารดาพระมารดาจึงไม่ทรงปรุงชื่อขนมไม่มีนี้ประทานเราตลอดเวลาถึงเพียงนี้ตั้งแต่นี้ไปเราจะไม่กินขนมอื่นดังนี้แล้วสเสด็จไปสู่ตำหนักทูลถามพระมารดาว่าเจ้าแม่มอมฉันเป็นที่รักของเจ้าแม่หรือไม่เป็นที่รัก พระมารดาพ่อพ่อยอมเป็นที่รักยิ่งของแม่เสมือนในตาของคนมีตาข้างเดียวและเหมือนดวงใจของแม่ฉะนั้นอนุรุทธะเมื่อเช่นนั้นเหตุไรเจ้าแม่จึงไม่ทรงปรุงขนมไม่มีประทานแก่หม่อมฉันตลอดเวลาถึงเพียงนี้เล่าเจ้าแม่พระนางรับสั่งถามมหาดเล็กคนสนิทว่า ขนมอะไรๆมีอยู่ในถาดหรือพอ่อเขาทูลว่าข้าแต่พระแม่เจ้าถาเต็มเปียมด้วยขนมชื่อว่าขนมเห็นปานนี้หม่อมฉันก็ยังไม่เคยเห็นแล้วพระนางทรงพระดำริว่าบุทของเราจักเป็นผู้มีบุญมีอภินิหารได้ทำไว้แล้วเทวดาทั้งหลายจักใส่ขนมให้เต็มถาดส่งไปแล้ว ลำดับนั้นพระโอรสจึงทูลถามพระมารดาว่าเจ้าแม่ตั้งแต่นี้ไปม่อมฉันจากไม่เสวยขนมอื่นขอเจ้าแม่พึงปรุงแต่ขนมไม่มีอย่างเดียวตั้งแต่นั้นมาแม่พระนางเมื่อพระกุมารนั้นทูลว่าม่อมฉันต้องการเสวยขนมก็ทรงครอบถาดเปล่านั่นแลด้วยถาดอื่นส่งไปประทานพระกุมารนั้น เทวดาทั้งหลายทรงขนมทิพถวายพระกุมาร น, นั้นตลอดเวลาที่ท่านเป็นขรัวาดตอนเจ้าทั้งสองสนทนาการเรื่องบวชและการงานพระกุมาร น, นั้นเมื่อไม่ทรงทราบแม้คำมีประมาณเท่านี้จากทรงทราบถึงการบวชได้อย่างไรเพราะฉะนั้นพระกุมารจึงทูลถามพระภาดาว่า ชื่อว่าการบวชนี้เป็นอย่างไรเมื่อเจ้ามหาราะตรัสว่าผู้บวชต้องโกนผมและหนวดต้องนุ่งห่มผ้ากาสายะต้องนอนบนเครื่องลา ด, ด้วยไม้หรือบนเตียงที่ถักด้วยหวายเที่ยวบินธบาตอยู่นี่ชื่อว่าการบวชจึงทูลว่าเจ้าพี่หม่อมฉันเป็นสุคุมารชาติ ม่อมฉันจักไม่สามารถบวชได้เจ้ามหานามะตรัสว่าพ่อถ้าอย่างนั้นพ่อจงเรียนการงานอยู่เป็นคารวะเถิดก็ในเราทั้งสองจะไม่บวชเลยสักคนไม่ควรขณะนั้นอนุรุท ธ, ธกุมารทูลถามเจ้าพี่ว่าชื่อว่าการงานนี้อย่างไรกุลบุตร ผู้ไม่รู้แม้สถานที่เกิดแห่งพัทจะรู้จากการงานได้อย่างไรตอนเจ้าสากยะทั้งสามสนทนากันถึงที่เกิดแห่งพัทเกวันหนึ่งการสนทนาเกิดขึ้นแก่กรรษัตริย์สามองค์ว่าชีวพัทเกิดขึ้นที่ไหนกินพิลกกุมารรับสั่งว่าเกิดขึ้นในฉางครั้งนั้น พัทยกูมารตรัสค้านกิมพิละกูมานนั้นว่าท่านยังไม่ทรงทราบที่เกิดแห่งพัทชื่อว่าพัทย่อมเกิดขึ้นที่หม้อข้าวอนุรุท ธ, ธะตรัสแย้งว่าถึงท่านทั้งสองก็ยังไม่ทรงทราบธรรมดาพัทย่อมเกิดขึ้นในถาทองคำประมาณศอกกำได้ยินว่าบรรดากรัตัดสามองค์นั้นวันหนึ่ง กินพิลากุมารทรงเห็นเขาขนข้าวเปลือกลงจากฉางก็เข้าพระไัยว่าข้าวเปลือกเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วในฉางนั่นเองฝ่ายพัทยกุมารวันหนึ่งทรงเห็นเขาคดพัดออกจากหม้อข้าวก็เข้าพระไัยว่าพัดเกิดขึ้นแล้วในหม้อข้าวนั่นเองส่วนอนุรุท ธ, ธกุมารยังไม่เคยทรงเห็นคนซ้อมข้าวคนหุงข้าว หรือคนขดข้าวทรงเห็นแต่ข้าวที่เขาคดแล้วตั้งไว้เฉพาะพระพักเท่านั้นท่านจึงทรงเข้าพระไยว่าพัดเกิดในถาดในเวลาที่ต้องการบริโภคกษัตริย์ทั้งสามพระองค์นั้นย่อมไม่ทรงทราบแม้ที่เกิดแห่งพัดด้วยประการอย่างนี้เพราะฉะนั้นอนุรุท ธ, ธกุมารนี้จึงทูลถามว่าขึ้นชื่อว่าการงานนี้เป็นอย่างไร ครั้นได้ทรงฟังกิจการที่คารวาจะพึงทาประจาปีมีอาธิว่าเบื้องต้นต้องให้ไถนาจึงตรัสว่าเมื่อไรที่สุดแห่งการงานทั้งหลายจะปรากฏเมื่อไหร่หม่อมฉันจึงจะมีความขวนขวายน้อยใช้สอยโภคะได้หล้าเมื่อเจ้ามหานามตรัสบอกความไม่มีที่สุดแห่งการงานทั้งหลายแล้วทูลว่า ถ้าอย่างนั้นขอจ้าพี่นั่นแลทรงครองขรวาเถิดมอมฉันหาต้องการด้วยขรวาษนั้นไม่ดังนี้แล้วเข้าเฝ้าพระมารดากราบทูลว่าจะแม่ขอจะแม่อนุญาตหมอมฉันเถิดมอมฉันจักบวชเมื่อพระนางทรงห้ามถึงสามครั้งตรัสว่าถ้าเจ้าพัทยะพระสหายของลูกจักผนวดใส ลูกจงบวชพร้อมด้วยเท้าเธอเถิดจึงเข้าไปเฝ้าพระเจ้าพัทยานั้นทูลว่าสหายการบวชของหม่อมฉันเนื่องด้วยพระองค์ดังนี้แล้วได้ยังพระเจ้าพัทยานั้นให้ทรงยินยอมด้วยประการต่างๆในวันที่7จทรงรับปฏิญญาเพื่อประโยชน์จะผนวดกับด้วยพระองค์ตอน อุบาลีออกบวชพร้อมด้วยสากยะทั้งหกแต่นั้นกษัตริย์ทั้งหกองค์นี้คือพัทยาสากยราชนุรุทธะอานันทะพัคุกิมพิละและเทวทัตเป็นเจ็ดทั้งอุบาลีนายผู้สามาลาทรงเสวยมหาสมบัติตลอดเจ็ดวันประดุจเทวดาเสวยที่พยสมบัติ แล้วเสด็จออกด้วยจตุรงคีนีเสนาประหนึ่งว่าเสด็จไปพระอุทยานถึงแดนกษัตริย์พระองค์อื่นแล้วทรงส่งกองทัพทั้งสิ้นให้กลับด้วยพระราชอาญาเสด็จย่างเข้าสู่แดนกษัตริย์พระองค์อื่นในเจ็ดคนนั้นกษัตริย์หกพระองค์ทรงเปลืองอาพรของตนของตนทําเป็นห่อแล้วรับสั่งว่าแน่ นายอูบาลีเชิญเธอกลับไปเถอะซับเท่านี้พอเลี้ยงชีวิตของเธอดังนี้แล้วประธานแก่เขาเขากลิ้งเกลือกรำพันแทบประบาทของกษัตริย์หพระองค์นั้นเมื่อไม่อาจล่วงอาชญาของกษัตริย์เหล่านั้นจึงลุกขึ้นถือห่อของนั้นกลับไปในการแห่งชนเหล่านั้นเกิดเป็นสองพวก ป่าได้เป็นประหนึ่งว่าถึงซึ่งการร้องไห้เป็นดินได้เป็นประหนึ่งว่าถึงซึ่งอาการหวั่นไหวฝ่ายอุบาลีภูษามาลาไปได้หน่อยหนึ่งก็กลับคิดอย่างนี้ว่าพวกสากยะดุร้ายนักจะพึงฆ่าเราเสียด้วยเข้าพระไยว่าพระกุมารทั้งหลายถูกเจ้าคนนี้ปลงพชนเสียแล้วดังนี้ก็ได้ก็ธรรมดาว่า สักยะกุมาเหล่านี้ทรงสละสมบัติเห็นป่านนี้ทิ้งอาภรอันหาค่าไม่ได้เหล่านี้เสียดังก้อนเขีะแล้วจากผนวดก็จะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงเราเล่าครั้นคิดดังนี้แล้วจึงแก่ห่อของออกเอาอาพอรณ์เหล่านั้นแขวนไว้บนต้นไม้แล้วกล่าวว่าผู้มีความต้องการทั้งหลายจงถือเอาเถิดดังนี้แล้ว ไปสู่สำนักของสากยะกุมาเหล่านั้นอันสากยะกุมาเหล่านั้นตรัสถามว่าเพราะเหตุอะไรเธอจึงกลับมาก็กราบทูลความนั้นแล้วตอนสากยะทั้งหบรรลุคุณพิเศษลำดับนั้นสากยะกุมาเหล่านั้นทรงพาเขาไปสู่สำนักของพระศัสดาถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว กราบถุนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายชื่อว่าเป็นพวกสากยะมีความถือตัวประจําสันดานผู้นี้เป็นคนบำเรอของพวกข้าพระองค์ตลอดราตรีนานขอพระองค์โปรดให้ผู้นี้บวชก่อนข้าพระองค์ทั้งหลายจะทำสามีจิกรรมมีการอภิวาสเป็นต้นเกะเขาความถือตัวของข้าพระองค์ จากส่างสิ้นไปด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้แล้วให้อุบาลีนั้นบวชก่อนภายหลังตัวจริงได้ทรงผนวดบรรดาสากยาภิกษุหกรูปนั้นท่านพระพัทยาได้เป็นพระอรหัน์เตวิชโชโดยระหว่างพรรษานั้นนั่นเองท่านพระอนุรุท ธ, ธะเป็นผู้มีจักษุเป็นทิพย์ภายหลังทรงสดับมหาปุริสาวิตกสูตร ได้บรรลุพระอรหันต์แล้วท่านพระนนได้ตั้งอยู่ในโสดาปติผลแล้วพระพะคุเถระและพระกิมพิลาเถระภายหลังเจริญวิปัสสนาได้บรรลุพระอรหันตพระเทวทัตได้บรรลุฤทธิ์อันเป็นของปุถุชนตอนพระเทวทัตแสดงฤทธิ์แก่อชาติศัตรูราชกุมาร ในการต่อมาเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ในกรุงโกสัมพีลาบแลสการะเป็นอันมากเกิดขึ้นแด่พระตถาคตพร้อมด้วยพระสงฆ์สาวกมนุษย์ทั้งหลายในกรุงโกสัมพีนั้นมีมือถือผ้าและเพสัชเป็นต้นเข้าไปสู่วิหารแล้วถามกันว่าพระศาสดาประทับอยู่ที่ไหนพระสารีบุตรเถระอยู่ที่ไหน พระมหาโมคคลานะเถระอยู่ท right ี่ไหนพระมหากสปะเถระอยู่ที่ไหนพระพัติยะเถระอยู่ที่ไหนพระอนุรุทธะเถระอยู่ที่ไหนพระอานนทเถระอยู่ที่ไหนพระภคุเถระอยู่ที่ไหนพระกิมพิระเถระอยู่ที่ไหนดังนี้แล้วเที่ยวตรวจดูที่นั่งแห่งอสีติมหาสาวกชื่อว่า ผู้ถามว่าพระเทวทัตเถระนั่งหรือยืนที่ไหนดังนี้ย่อมไม่มีพระเทวทัต น, นั้นจึงคิดว่าเราบวชพร้อมกันด้วยสากยะเหล่านี้เหมือนกันแม้สากยะเหล่านี้เป็นขติยบัญปชิตแม้เราก็เป็นขติยบัญปชิตพวกมนุษย์มีมือถือลาบและสการะสแสวงหาท่านเหล่านี้อยู่ผู้เอ่ยถึงชื่อของเราบ้างไม่ได้มี เราจะสมคบกับใครหนอแลพึงยังใครให้เลื่อมใสแล้วอย่างลาบสการะให้เกิดแก่เราได้ที่นั้นความตกลงใจนี้มีแก่เถอว่าพระเจ้าพิมพิสารนี้พร้อมกับบริวาร11อหนหุดทรงดำรงอยู่ในโสดาปฏิผลแล้วด้วยทัศนะเป็นปฐมนั่นแลเราไม่อาจจะสมคบกับพระราชานั้นได้ แม้กับพระเจ้าโกศลเราก็ไม่สามารถจะครบด้ส่วนพระเจ้าอาชาติสตรุ ก, กุมานพระโอรสของพระราชานิแลอย่างไม่รู้คุณและโทษของใครๆเราจักสมาคมกับกุมานนั่นพระตวิวัตนนั้นออกจากกรุงโกสัมพีไปสู่กรุงราชครืนิรมิตเพศเป็นกุมานน้อยพันอสรพิษสี่ตัว ที่มือและเท้าทั้งสตัวหนึ่งที่คอตัวหนึ่งทำเป็นเสื้อตบนศรีรษะตัวหนึ่งทำเฉยงบ่าลงจากอากาศด้วยสังวานงูนี้นั่งบนพระเพลาของพระอา ช, ชาตสตรกุมารเมื่อพระกุมาร น, นั้นทรงกลัวแล้วตรัสว่าท่านเป็นใครจึงถวายพระพรว่าอัตมะคือเทวทัต เพื่อจะบรรเทาความกลัวของพระกุมารจึงกลับอัตภาพนั้นเป็นภิกษุทรงสังฆาติบาทและจีวรยืนอยู่เบื้องหน้าอย่างพระกุมารนั้นให้ทรงเลื่อมใสยังลาบและสาการะให้เกิดแล้วตอนพระเทวทัตยพยายามฆ่าพระพุทธเจ้าพระเทวทัตนั้นอนลาบและสกการะครอบงำแล้ว ยังความคิดอัลลามกให้เกิดขึ้นว่าเราจากบริหารภิกษุสงฆ์ดังนี้แล้วเสื่อมจากฤทธิ์พร้อมด้วยจิตตุปปาบาทแล้วถวายบังคมพระศัส ด, สดาซึ่งกําลังทรงแสดงธรรมแก่บริษัทพร้อมด้วยพระราชาในพระเวรุวันวิหารลุกจากอาสนะแล้วพระคองอัญชลีกราบทูลว่าพระเจ้าค่าเวลานี้พระผู้มีพระภาค ทรงชราแก่เท่าแล้วขอพระผู้มีพระภาคจงทรงเป็นผู้ขวนขวายน้อยประกอบเนื่งๆนงซึ่งทำเครื่องอยู่สบายในทิฏธรรมเถิดหม่อมฉันจากบริหารภิกษุสงฆ์ขอพระองค์โปรดมอบภิกษุสงฆ์ประธานแก่หม่อมฉันเถิดดังนี้แล้วถูกพระศัสดาทรงลุกรานด้วยเคลสิกาวาทะทรงห้ามแล้ว ไม่พอใจได้ผูกอาคาตนี้ในพระตถาคตเป็นครั้งแรกแล้วหลีกไปครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ทำประกาศนียกรรมในกรุงราชกฤชแก่เธอแล้วเธอคิดว่าเดี๋ยวนี้เราถูกพระสมณโคดมกำจัดเสียแล้วบัด น, นี้เราจะทำความพินาศแก่สมณโคดมนั้นดังนี้แล้ว จึงไปเฝ้าอาชาตสตรุกุมารทูลว่าพระกุ ม, มารเมื่อก่อนแลมนุษย์ทั้งหลายมีอายุยืนบัดนี้อายุน้อยก็ขอที่พระองค์พึงที่วงคตเสียตั้งแต่ยังเป็นพระกุมาร น, นั่นเป็นฐานะไม่อยู่แลพระกุมารถ้ากระนั้นพระองค์จงสำเร็จโทษพระบิดาเป็นพระราชาเถิด อาตามาสำเร็จโทษพระผู้มีพระภาคแล้วจากเป็นพระพุทธเจ้าครั้นเมื่อพระกุมารนั้นดำรงอยู่ในราชสมบัติแล้วได้แต่งบุุษทั้งหลายเพื่อจะฆ่าพระตถาคตครั้นเมื่อบุตษเหล่านั้นบรรลุโสดาปติผลกลับไปแล้วจึงขึ้นเขาคิชกูดเองกลิ้งศิลาด้วยจงใจว่าเราเองจากปรงพระสมณโคดมจากชีวิต ได้ทากรรมคือยังพระโลหิตให้ห่อขึ้นเมื่อไม่อาจฆ่าด้วยอุบายแม้นี้จึงให้ปล่อยช้างนาราคิรีไปอีกเมื่อช้างนั้นกำลังเดินมาพระอานนทเถระยอมสละชีวิตของตนถวายพระสัสดาได้ยืนขวางหน้าแล้วพระสัสดาทรงทรมานช้างแล้วเสด็จออกจากพระนครมาสู่พระวิหาร สเสวยมหาทานที่พวกอุบาสกหลายพันนำมาแล้วทรงแสดงอนุปพีคถาโปรดชาวกรุงราชฤรษ์นับได้18ปโกดซึ่งประชุมกันในวันนั้นธรรมมาพิสมัยเกิดมีแก่สัตว์ประมาณ 84,000 พันพระผู้มีพระภาคทรงสดับคถาพน า, นาคุณของพระเถรวะว่าแม้ท่านพระอานนท์มีคุณมาก เมื่อพระยาช้างชื่อเห็นปานนั้นมาอยู่ได้ยอมสละชีวิตของตนยืนขวางหน้าพระศาสดาดังนี้แล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายไม่ใช่แต่บัดนี้เท่านั้นถึงในครั้งก่อนอ น, อนนน้ก็ยอมสละชีวิตเพื่อประโยชน์แห่งเราแล้วเหมือนกันอันภิกษุทั้งหลายทูลอ้อนวอนแล้วจึงตรัสจุลหังสชาดกมหาหังสชาดกและ กะกะตะชาดกตอนกรรมชั่วของพระเทวทัตปรากฏแก่มหาชนกรรมแแมของพระเทวทัตเพราะยังพระอาชาสตรุกุมารให้สําเร็จโทษพระราชาเสียก็ดีเพราะแต่งนายขมังธนูก็ดีเพราะกลิ่งศิลาก็ดีไม่ได้ปรากฏเหมือนเพราะปล่อยช้างนาราคิรีเลย คราวนั้นแลมหาชนได้โจ์จันกันขึ้นว่าแม้พระราชาก็พระเทวทัตนั่นเองเป็นผู้ให้สำเร็จโทษเสียแม้นายขมังธนูก็พระเทวทัตนั่นเองแต่งขึ้นแม้ศิลาก็พระเทวทัตเหมือนกันกลิ้งลงและบัดนี้เธอก็ได้ปล่อยช้างนารากิรีพระราชาทรงเที่ยวครบคนลามกเห็นป่านนี้ ราชาทรงสดับถ้อยคำของมหาชนแล้วจึงให้นำสำรับห0 0รคืนมามีได้เสด็จไปยังที่อุปถาของพระเทวทัตนั้นอีกถึงชาวพนครก็มีได้ถวายแม้วัตถุมาดว่าพิกษาแกเธอซึ่งเข้าไปยังสกุลตอนพระเทวทัตทูลขอวัตถุหประการพระเทวทัตนั้น เสื่อมจากลาบและส ก, การะแล้วพระสงฆ์เจอเลี้ยงชีวิตด้วยการหลอกลวงจึงเข้าไปเฝ้าพระสัสดาทูลขอวัตถุห้าประการอันพระผู้มีพระภาคทรงห้ามว่าอย่าเลยเทวทัตผู้ใดปรารถนาผู้นั้นก็จงเป็นผู้อยู่ป่าเถิดดังนี้แล้วทูลว่าผู้มีอายุคำพูดของใครจะงามของพระตถาคต หรือของข้าพเจ้าก็ข้าพระองค์กล่าวด้วยสา ม, มารถข้อปฏิบัติอย่างอุกฤษอย่างนี้ว่าพระเจ้าข้าดังข้าพระองค์ขอประธานโอกาสขอภิกษุทั้งหลายจงเป็นผู้อยู่ป่าเที่ยวบินทบทส่งผ้าบางสุกุลอยู่โคนไม้อย่าพึงฉันปลาและเนื้อจนตลอดชีวิตแล้วกล่าวว่าผู้ใดใกล้จะพ้นจากทุกข์ ผู้นั้นจงมากับเราดังนี้แล้วลีกไปภิกษุบางพวกบทใหม่มีความรู้อ่อนได้สดับถ้อยคำของพระเทวทัตนั้นแล้วชักชวนกันว่าพระเทวทัตผู้ถูกพวกเราจักเที่ยวไปกับพระเทวทัตนั่นดังนี้แล้วได้สมคบกับเธอตอนพระเทวทัตทำลายสง พระเทวทัตนั้นยังชนผู้เลื่อมใสในของเศร้าหมองให้เข้าใจด้วยวัตถุห้าประการนั้นพร้อมด้วยภิกษุห้าร้อยรูปให้เที่ยวขอปัจจัยในสกุลทั้งหลายมาบริโภคพยายามเพื่อทำลายสงแล้วเธออันพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าเทวทัตได้ยินว่าเธอพยายามเพื่อทำลายสงเพื่อทำลายจักจริงหรือ ทูลว่าจริงพระผู้มีพระภาคแม้พระองค์ทรงโอวาท ด, ด้วยพระพุทธพจน์มีอาธิว่าเทวทัตการทำลายสงฆ์มีโทษหนักแลก็มิได้เชื่อถือพระวาจาของพระศาสดาลีกไปแล้วพบท่านพระานนซึ่งกำลังเที่ยวไปบินทบาทในกรุงราชครืจึงกล่าวว่าอานอน์ ผู้มีอายุตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจากทรรอุโบสถจากธรรมสังฆกรรมเว้นจากพระผู้มีพระภาคเว้นจากภิกษุสงฆ์พระเถระกราบทูลความนั้นแด่พระผู้มีพระภาคพระศาสดาทรงทรงาบความนั้นแล้วเกิดธรรมสังเวททรงปริวิตกว่าเทวทัตทำกรรมเป็นเหตุให้ตนไ ห, หมในเอเวจี อันเกี่ยวถึงความฉิบหายแก่สัตว์โลกทั้งเทวโลกดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่าสุการานิอสาทุนิอัตโนอหิตานิจะยังเวหิตันจะซาทุนจะตังเวปรมาดุกกรังกรรมทั้งหลายที่ไม่ดีและไม่เป็นประโยชน์แก่ตนทำได้ง่ายกรรมใดแล เป็นประโยชน์ด้วยดีด้วยกรคำนั้นแลทําได้ยากยิ่งทรงเปล่งพระอุทานนี้อีกว่าสุกรังซาทุนาซาทุซาทุปาเปนดุ ก, กรังปาปังปาเปนสุกรังปาปะมาริเยหิดุกรังกรรมดีคนดีทําได้ง่ายกรรมดีคนชั่วทําได้ยาก กรรมชั่วคนชั่วทำได้ง่ายกรรมชั่วพระอริยเจ้าทั้งหลายทำได้ยากครั้งนั้นแลพระเทวทัตนั่งนาส่วนข้างหนึ่งพร้อมด้วยบริษัทของตนในวันอุโบสถกล่าวว่าวัตถุห้าประการเหล่านี้ย่อมชอบใจแก่ผู้ใดผู้นั้นจงจับสลากเมื่อพวกภิกษุวัชีบุตรห้าร้อยรูป ผู้บวชใหม่ยังไม่รู้จักธรรมวินัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทมทั่วถึงจับสลากกันแล้วได้ทำลายสงพาภิกษุเหล่านั้นไปสู่ขยาศีรัรรพประเทศตอนอกระสาวทั้งสองชักจูงภิกษุกลับเข้าพวกได้พระศาสดาทรงสดับความที่พระเทวทัตนั้นไปแล้วหน้าที่นั้น จึงส่งพระอัครสาวกทั้งสองไปเพื่อประโยชน์แก่การนำภิกษุเหล่านั้นมาพระอัครสาวกทั้งสองนั้นไปณที่นั้นแล้วพร่ำสอนอยู่ด้วยอนุสาสนีเนื่องในอาเทศนาปฏิหารและอนุสาสนีอันเนื่องในอิทธิปาฏิหารอย่างภิกษุเหล่านั้นให้ดื่มอมะตะธรรมแล้วได้พามาทางอากาศฝ่ายพระโกกาลิกะ แลกล่าวว่าเทวทัตผู้มีอายุลุกขึนเถิดพระสารีบุตรและพระโมคขลานะนําเอาภิกษุเหล่านั้นไปหมดแล้วผมบอกท่านแล้วไม่ใช่หรือว่าผู้มีอายุท่านอย่าไว้ใจพระสารีบุตรและพระโมคขลานะเพราะพระสารีบุตรและพระโมคขลานะมีความปรารถนาลามกรู้อานาจแห่งความปรารถนาลามกดังนี้แล้ว เอาเข่ากระแทกที่ทรงอกพระเทวทัตโลหิตอุ่นได้ปลุ่งออกจากปากพระเทวทัตในที่นั้นเองฝ่ายพวกภิกษุเห็นท่านพระสารีบุตรมีภิกษุสงเวดล้อมทางอากาศแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระสารีบุตรในเวลาไปมีตนเป็นที่สองเท่านั้นไปแล้วบัดนี้ มีบริวารมากมาย่มงานแทตอนบุปกรรมของพระเทวทัตพระสัสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายไม่ใช่แต่บัดนี้เท่านั้นแม้ในการที่เธอเกิดในกำเนิดเด ร, รัฉานบุตรของเรามาสู่สำนักของเราก็ย่อมงามเหมือนกันดังนี้แล้วได้ตรัส ช, ชาดกนี้ว่า ความจริญย่อมมีแก่ผู้มีศีลทั้งหลายผู้ประพฤะติปฏิสันถานท่านจงดูเนื้อชื่อลักษณะอันหมู่ญาติแวดล้อมมาอยู่อันหนึ่งท่านจงดูเนื้อชื่อกาลนี้ที่เสื่อมจากญาติทั้งหลายเที่ยวดังนี้เป็นต้นเมื่อพวกภิกษุกราบทูลอีกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญได้ทราบว่าพระเทวทัต ให้พระอัครส า, าวกสององค์นั่งที่ข้างทั้งสองแล้วกล่าวว่าเราจะแสดงธรรมด้วยพุทธลีลาทำกิริยาตามอย่างพระองค์แล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายไม่ใช่แต่บัดนี้เท่านั้นแม้ครั้งก่อนพระเทวทัศน์นี้ก็พยายามทําตามเยี่ยงอย่างของเราแต่ไม่สามารถดังนี้แล้วตรัสนาทีจรกากะชาดกว่า ก็วีรกะท่านยอมเห็นนกชื่อสวิทกะซึ่งขนานเพราะมีสร้อยคอเหมือนนกยูงซึ่งเป็นผัวของฉันไหมนกสวิทกะทำเยี่ยงนกที่เที่ยวไปได้ทั้งในน้ำและบนบกบริโภคปลาสดเป็นนิดนั้นถูกสาหรายพันตายแล้วดังนี้เป็นต้นแม้วั น, อ, นอื่นอื่นอีก ทรงปรารบคาถาเช่นนั้นเหมือนกันตราชาดกทั้งหลายเป็นต้นอย่างนี้ว่านกกระนนี้เมื่อจะเจาะซึ่งหมู่ไม้ทั้งหลายได้เที่ยวไปแล้วหนอที่ต้นไม้มีอวัยวะเป็นไม้แห้งไม่มีแก่นภายหลังมาถึงไม้ตะเคียนที่มีแก่นเกิดแล้วได้ทำลายขมองสีษะแล้วแล ว, ว่าไข่ข้อของท่านไหลออกแล้ว กระหม่อมของท่านอันช้างเหยียบแล้วสี่โครงทุกสี่ของท่านอันช้างหักเสียแล้วคราวนี้งามหน้าละสิเพื่อนทรงปรารบกรถาว่าพระเทวทัตเป็นผู้อัตัญยูจึงตรัสชาดกทั้งหลายมีอาทิว่าข้าพเจ้าได้ทำกิจให้ท่านจนสุดกาลังของข้าพเจ้าที่มีอยู่เที่ยวคาแต่พระยาเนื้อ ข้าพเจ้าขอนอบน้อมต่อท่านข้าพเจ้าน่าจะได้อะไรอะไรบ้างสิข้อที่เจ้าอยู่ในระหว่างฟันของเราผู้มีโลหิตเป็นพักษาทำกรรมหยาบช้าเป็นนิดยังเป็นอยู่ได้ก็เป็นลาบมากอยู่แล้วทรงปราบความตะเกียกตะกายเพื่อจะฆ่าพระองค์ของพระเทวทัตนั้นอีกตราชาดกทั้งหลายเป็นต้นว่าดูก่อน ไม้มะลื่นข้อที่เจ้ากลิ้งมานี้กวางรู้แล้วเราจากไปยังไม้ละลื่นต้นอื่นเพราะว่าผลของเจ้าเราไม่ชอบใจเมื่อคะถา ย, ยังเป็นไปอยู่อีกว่าพระเทวทัตเสื่อมแล้วจากผลสองประการคือจากลาบและสาการะประการหนึ่งจากสามัญญผลประการหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายไม่ใช่แต่บัดนี้เท่านั้นแม้ครั้งก่อนเทวทัตก็เสื่อมแล้วเหมือนกันดังนี้แล้วตรชาดกทั้งหลายเป็นต้นว่าตาทั้งสองแตกแล้วผ้าก็หายแล้วและเพื่อนบ้านก็บาดหมางกันผัวและเมียสองคนนั้นมีการงานเสียหายแล้วทั้งสองทางคือทั้งทางน้ำทั้งทางบกพระสัสดา เมื่อประทับอยู่กรุงราชคฤื้ทรงปราบพระเทวทัตตรัสชโดโตกเป็นอันมากด้วยประการอย่างนั้นแล้วเสด็จออกจากกรุงราชคฤื้ไปสู่เมืองสาวัตถีประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารตอนพระเทวทัตให้สาวกนำไปเฝ้าพระศัสดาฝ่ายพระเทวทัตแลเป็นไข่ถึง9เดือน ในการสุดท้ายไคร่เจ้าเฝ้าพระศาสดาจึงบอกพวกสาวกของตนว่าเราใครเจ้าเฝ้าพระศาสดาท่านทั้งหลายจงแสดงพระศาสดานั้นแก่เราเถิดเมื่อสาวกเหล่านั้นตอบว่าท่านในเวลาที่ยังสามารถได้ประพฤติเป็นคนมีเวรกับพระศาสดาข้าพเจ้าทั้งหลายจักนําท่านไปในที่พระศาสดาประทับอยู่ไม่ได้จึงกล่าวว่า ท่านทั้งหลายอย่าให้ข้าพเจ้าชิพหายเลยข้าพเจ้าทำอาฆาตในพระศาสดาแต่สำหรับพระศัษษสดาหามีความอาฆาตในข้าพเจ้าแม้ประมาณเท่าปลายผมไม่จริงอยู่พระผู้มีพระภาคนั้นทรงมีพระทัยสม่ำเสมอในบุคคลทั่วไปคือในนายขมังธนูในพระเทวทัตในโจรองค์กุลิมานในช้างธนบานและในพระราหุล เพราะฉะนั้นพระเทวทัตจึงอ้อนวอนแล้วแล้วเล่าๆล่า ว, ว่าขอท่านทั้งหลายจงแสดงพระผู้มีพระภาคแก่ข้าพเจ้าทีนั้นสาวกเหล่านั้นจึงพาพระเทวทัตนั้นออกไปด้วยเตียงน้อยภิกษุทั้งหลายได้ข่าวการมาของพระเทวทัตนั้นจึงกราบทูลพระศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข่าวว่า พระเทวทัตมาเพื่อประโยชน์จะเฝ้าพระองค์พระศัสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเทวทัตนั้นจะไม่ได้เห็นเราด้วยอัตภาพนั้นในว่าพวกภิกษุย่อมไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าอีกจำเดิมแต่การที่ขอวัตถุหประการข้อนี้ย่อมเป็นธรรมดาพวภิกษุกราบทูลว่าพระเทวทัตมาถึงที่โน้น และที่โน้นแล้วพระเจ้าค่าพระสัสดาเทวทัตจงทำสิ่งที่ตนปรารถนาเธอแต่อย่างไรเสียเธอก็จกไม่ได้เห็นเราภิกษุข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเทวทั์มาถึงที่ประมาณยอดหนึ่งแต่ที่นี้แล้วและทูล ต, ต่อต่อไปอีกว่ามาถึงกึ่งยอดแล้วกาประยุทธ์หนึ่งแล้ว มาถึงที่ใกล้สะโบกรณีแล้วพระเจ้าค่าพระสัสดาแม้หากเทวทัตจะเข้ามาภายในพระเชตวันก็จักไม่ได้เห็นเราเป็นแต้ตอนพระเทวทัตถูกธรณีสูบพวกสาวกพาพระเทวทัตมาวางเตียงลงริมฝั่งสะโบครณีใกล้พระเชตวันแล้ว ต่างก็ลงไปเพื่อจาบน้ำในสบกรณีแม้พระเทวทัตแลลุกจากเตียงแล้วนั่งวางเท้าทั้งสองบนพื้นดินเท้าทั้งสองนั้นก็จมแผ่นดินลงเธอจมลงแล้วโดยลำดับเพียงข้อเท้าเพียงเข่าเพียงเอวเพียงนมจนถึงคอในเวลาที่กระดูกคางจดถึงพื้นดินได้กล่าวคาถานี้ว่า อเมหิอติหิตามักกะปุคลังเดวาติเดวังนรดรมมาาระทิ่งสมันตะจักคุ้งสตะปุญญลักษณังปานยหิบุทธังสระนวังขตโตสมิข้าพระองค์ขอถึงพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้เป็นบุคคลเลิศเป็นเทพยิ่งกว่าเทพเป็นสารถีฝึกนรชน มีพระจักษุรอบรอบมีพระลักษณะแต่ละอย่างเกิดด้วยบุญต้องร้อยว่าเป็นที่พึ่งด้วยกระดูกเหล่านี้พร้อมด้วยลมหายใจในว่าพระตถาคตเจ้าทรงเห็นฐานานี้จึงโปรดให้พระเทวทัตบวช <c oughs> ก็ถ้าพระเทวทัตนั้นจากไม่ได้บวชไสเป็นกระดูหัสจากได้ทำกรรมหนักจากไม่ได้อาจ ทำปัจจัยแห่งพบต่อไปก็แลครั้นบวชแล้วจักทากรรมหนักก็จริงถึงดังนั้นก็จะสามารถทําปัจจัยแห่งพบต่อไปได้เพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงโปรดให้เธอบวชแล้วตอนพระเทวทัตเกิดในอเวจีถูกตรึงด้วยเหลาเหล็กจริงอยู่พระเทวทัตนั้น จากเป็นพระประเจกับพระพุทธเจ้านามว่าอธิสระในที่สุดแห่งแสนกับแต่กับนี้พระเทวทัตนั้นจมดินไปแล้วเกิดในเอเวจีและเธอเป็นผู้ไหวติ่งไม่ได้ถูกไฟไม่อยู่เพราะเป็นผู้ผิดในพระพุทธเจ้าผู้ไม่หวั่นไหวสียร่างของเธอสูงประมาณ100รโยชนเกิดในก้นเอเวจีซึ่งมีประมาณ300โยชน ศีสะสอดเข้าไปสู่แผ่นเหล็กในเบื้องบนจนถึงหมวกหูเท้าทั้งสองจมแผ่นดินลงไปข้างล่างจนถึงข้อเท้าเหลาเหล็กมีปริมาณเท่าลำต้นตาลขนาดใหญ่ออกจากฝาด้านหลังแทงกลางหลังทะลุหน้าอกปักฝาด้านหน้าอีกเหลาหนึ่งออกจากฝาด้านขวาแทงสีข้างเบื้องขวาทะลุออกสีข้างเบื้องซ้าย ปักฝาด้านซ้ายอีกหล่าหนึ่งออกจากแผ่นข้างบนแทงกระหม่อมทะลุออกส่วนเบื้องต่ำปากลงสู่แผ่นดินเหล็กพระเทวทัตนั้นเป็นผู้ไหวติงไม่ได้อันไฟไหมในเอเวจีนั้นด้วยประการอย่างนี้ตอนเมื่อก่อนพระเทวทัตก็ประพฤติผิดในพระศาสดา ภิกษุทั้งหลายสนทนากันว่าพระเทวทัตถึงฐานะประมาณเท่านี้ไม่ทันได้เฝ้าพระสัสดาจมลงสู่แผ่นดินแล้วพระศัสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเทวทัตประพฤติผิดในเราจมดินลงไปในบัดนี้เท่านั้นหาไม่ได้แม้ครั้งก่อนเธอก็จมลงแล้วเหมือนกันเพื่อจะทรงแสดงความที่บุรุษหลงทาง อันพระองค์ปรอบโยนแล้วยกขึ้นหลังของตนแล้วให้ถึงที่อันเกษมแล้วกลับมาตัดงาทั้งหลายอีกถึงสมครั้งอย่างนี้คือที่ปลายที่ท่ากลางที่โคนในวรรคที่สเมื่อก้าวล่วงคลองจักูุแห่งมหาบุรุษแล้วก็จมแผ่นดินในการที่พระองค์เป็นพระยาช้างจึงตรัสชาดกนี้เป็นตนว่า หากจะให้แผ่นดินทั้งหมดแก่คนอกตอนอยูผู้เพ่งโทษเป็นนิดก็ไม่ยังเขาให้ยินดีได้เลยเมื่อคะถาตั้งขึ้นแล้วเช่นนั้นนั่นแลแม้อีกจึงตรัสขันติวาธิชาดกเพื่อทรงแสดงความที่พระเทวทัตนั้นครั้งเป็นพระเจ้ากลาภุประพฤติผิดในพระองค์ผู้เป็นขันติวาดีดาบท แล้วจมลงสู่แผ่นดินและจุลธรรมปาละชาดกเพื่อทรงแสดงความที่พระเทวทัตนั้นครั้นเป็นพระเจ้ามหาปตาปะประพฤติผิดในพระองค์ผู้เป็นจุลธรรมปาละแล้วจมลงสู่แผ่นดินก็ครั้นเมื่อพระเทวทัตจมดินไปแล้วมหาชนร่าเริงยินดีให้ยกธงชายธงปตาและ ต้นกล้วยตั้งหม้อน้ำอันเต็มแล้วเล่นมหรสพใหญ่ด้วยปรารบว่าเป็นลาภของพวกเราหนอพวกภิกษุกราบทูลข้อความนั้นแดพ่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อพระเทวทัตตายแล้วมหาชนยินดีไม่ใช่แต่บัดนี้เท่านั้นแม้ครั้งก่อนก็ยินดีแล้วเหมือนกัน เมื่อจะทรงแสดงความที่มหาชนเป็นผู้ยินดีในเมื่อพระราชาพระนามว่าปิงคละในพระนครพราราสีซึ่งดุร้ายหยาบช้าไม่เป็นที่รักของชนทั่วไปสวรรคตรแล้วจึงตรัสปิงคิลาชาดกนี้เป็นต้นว่าพระโพธิสัตว์กล่าวถามว่าชนทั้งสิ้นอันพระเจ้าปิงคละ เบียดเบียนแล้วเมื่อเท้าเธอสวรรคตรแล้วชนทั้งหลายย่อมเสวยปีติพระเจ้าปิงคละมีพระเนตรไม่ดำได้เป็นที่รักของเจ้าหรือแน่นายประตูเหตุไรเจ้าจึงร้องไห้นายประตูกล่าวตอบว่าพระราชามีพระเนตรไม่ดำหาได้เป็นที่รักของข้าพระองค์ไม่ข้าพระองค์กลัวแต่การเสด็จกลับมาของพระราชานั้น ด้วยว่าพระราชาพระองค์นั้นเสด็จไปจากที่นี้แล้วพึงเบียดเบียนมัจจุราชมัจจุราชนั้นถูกเบียดเบียนแล้วพึงนำพระองค์กลับมาที่นี้อีกตอนผู้ทำบาบย่อนเดือดร้อนในโลกทั้งสองภิกษุทั้งหลายทูลถามพระศาสดา ว, ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญปัตน้พระเทวทัตเกิดแล้วนที่ไหน พระศาสดาตรัสว่าในอเวจีมหานรกภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นกราบทุลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเทวทัพประพฤติเดือดร้อนในโลกนี้แล้วไปเกิดในสถานที่เดือดร้อนนั้นแลอีกหรือพระศาสดาตรัสว่าอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายชนทั้งหลายจงเป็นบรรพชิตก็ตามเป็นเครหอขัดก็ตาม มีปกติอยู่ด้วยความประมาทยอมเดือดร้อนในโลกทั้งสองที่เดียวดังนี้แล้วตรัสพระคาฐานี้ว่าอธิตั ป, ปติเปเจต ป, ปติปาปการีอุยปยัตตปติปาปังเมกตันติตัปปติพโยตปปติดุกกติงกโตผู้มีปกติทำบาปยอมเดือดร้อนในโลกนี้ ละไปแล้วย่อมเดือดอร้อนเขาย่อมเดือดอร้อนในโลกทั้งสองเขาย่อมเดือดอร้อนว่ากรรมชั่วเราทำแล้วไปสู่ทุ ก, กติย่อมเดือดอร้อนยิ่งขึ้นตอนแก้อัดในบรรดาบทเหล่านั้นสองบทว่าอธิตปติความว่าย่อมเดือดอร้อนในโลกนี้ด้วยเหตุเพียงโทมนัส ด้วยความเดือดร้อนเพราะกรรมบทว่าเป จ, จะความว่าส่วนในโลกหน้าย่อมเดือดร้อนเพราะทุกข์ในอบายอันร้ายแรงยิ่งด้วยความเดือดร้อนเพราะวิบากบทว่าปาปการีความว่าผู้ทาบาปมีประการต่างๆบทว่าอุพยัตต์ความว่า ชื่อว่าย่อมเดือดร้อนในโลกทั้งสองด้วยความเดือดร้อนมีประการดังกล่าวแล้วนี้สองบทว่าป้าปังเมความว่าก็ผู้มีปกติทาบาปนั้นเมื่อเดือดร้อนด้วยความเดือดร้อนพระกรรมชื่อว่าย่อมเดือดร้อนด้วยคิดว่ากรรมชั่วเราทำแล้วข้อนั้นเป็นความเดือดร้อนมีประมาณเล็กน้อย แต่เมื่อเดือดร้อนด้วยความเดือดร้อนพระวิบากชื่อว่าไปสู่ทุกติย่อมเดือดร้อนยิ่งขึ้นคือย่อมเดือดร้อนเหลือเกินด้วยความเดือดร้อนอันหยาบช้าอย่างยิ่งในการจบคถาชนเป็นอันมากได้เป็นพระอริยบุคคลมีพระโสดาบันเป็นต้นแล้วเทศนาเป็นประโยชน์แก่มหาชนดังนี้แล เรื่องพระเทวทัต